ท่านสาธุชนผุทธบริษัตวทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังประสูต寿ก่อนนอนไม่ใช่ประสูตรก่อนหลับแต่วันนี้สํานวนอาจจะดีขึ้นกว่าสองวันที่แล้วมาตั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้อนองสือมา ก, กลางมาเล่านิทานกันตามความรู้ที่จํามาได้อันนี้สะดวกกว่าฟังดีกว่า ไม่งั้นมันหยอกเห ย, ยอกเยาะกเหลือเกินจะทิ้งหนังสือก็ไม่ได้เรื่องราวของท่านละเอียดเดี๋ยววิจัยขาดถ้อยความเฉพาบในตอนนี้การฟังคราวนี้นะทุกคืนขณะที่ฟังทุกคนอยู่ตามสบายหลักก็ได้ตื่นก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้าโโตามสปกติฟังเล่นเพลินเพลินถือว่ากําลังใจอยู่ในธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวขโมยสูวนก็เป็นธรรมะเป็นส่วนที่เราคิดตามได้กุศลถ้าอารม์ของท่านเป็นกุศลทุกคนถ้าตายแล้วเมลไยขณะหลับมันไปสวรรค์ทัน ท, นทีถ้าฟังไปฟังไปแล้วเคลิมหลับเพราะตามกระแสะเสียงทีงว่าขณะที่หลับจิตเริ่มเป็นฌานก็ตัดหลับจิตของท่านจะทรงฌานันดับนั้นตลอดเวลาจนกว่าจะตื่น คุณประโยชน์ใหญ่มากถ้าตายเวลาหลับถ้าจิตระหว่างนั้นส่งชานอะไรไปแต่ผลก็ฌานนั้นในช่วงนี้ก็มาคุยเรื่องราวของพระเจ้าปเสนนตินนโกศลกับพนางมณิกากรวมความว่าผมก็ยังไม่ถอนตัวออกเมืองพาราณสียังนั่งจ้องเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองพาราณสีต่อไป ถ้าเศษหน้านี้นนะ่าหน้านหลังอาจจะใช่และไม่ใช่ยังไม่แน่เรื่องราวของพนางมาริกานี่มีมากในเมืองพรราณสนสี่มีเรื่องน่าคุยกันเยอะในความมีอยู่ว่าพ น, นางมาริกาเนี่ยปกติเป็นสุภาพสตรีที่มีความดีเลศิศหนึ่งการเมตตากรุณาดีมากสันโดษก็ดีมาก พระเจ้าประเสในที่กุศลถ้าพูดถึงคนธรรมดาและพัญญาหลวงจะหนักใจขนาดไหนเกิดดูบรรดาเจ้าหญิงท่านหลายที่ไปนั่งถวายงานรพระเป็นอันว่านั่งอยู่ใกล้ๆปฏิบัติพระเนี่ยองหมายความสององค์ตัวหนึ่งคนแต่ว่าสองคนก็สองคนแบ่งงานกันหมดของหอมคนหนึ่งแล้วก็ เอ่อถวายงานพัดอะไรองค์หนึ่งคนหนึ่งรวมแล้วพระห้าร้อยองก็เจ้าหญิงห้าร้อยคนอันนี้เจ้าหญิงภายในใหญ่จริงๆเจ้าหญิ ง, ง, งลอง ล, อ ง, ล, อ ง, ลองมาก็ทำงานอืนอ่นๆรวมความเวลานั้นพระยาประสิทธนินทิโกศนใไขตามภาคพื้นนะได้บ่าไข่ม า, าจารฐานก็ประมาณพันพันผล แล้วก็ยังไข่เรี่ยราดอีกต่งเยอะระวมความว่าท่านเองก็คณจะต้องมีเมียมากถ้ามีเมียน้อยมีลูกมากไม่ได้นี่ดูกำลังใจขาบ น, นางบรนกาเทวีถ <c oughs> ้าผู้หญิงนั้งหลายโดยเขาแบบนี้ก็จะหนักใจแด้ท่านเฉยมีกำลังใจหนั ก, นกแน่นกลับมีความรักมีความเมตตาปราณีในพัญญาที่มาข้างหลัง ลูกหญิงทุกคนลูกชายทุกคนจะเป็นลูกของใครก็ตามถือว่าเป็นลูกของท่านเพราะท่านเป็นเมลหลวงใหญ่นี่กําลังใจอย่างนี้เราหาได้ยากแค่ถามว่าคนที่บอกชื่อว่ามันิกาไปหามาจากไหนไม่มีชาวบ้านก็อาจจะชื่อกันไม่กันแต่หายากคนที่เป็นพระราชนีเขาว่า ร, ราชาต้องไปหาคนชื่อมันิกาแต่มันหาไม่ได้มันิกาเทวีเป็นชื่อโดยตาแหน่ง ในเชื่อจริงๆอย่างท่านผู้รู้ท่านบอกว่าคนย่ำเยาวศิลาจิตท่านผู้นี้หนักแน่นมาทุกชาติกําลังใจหนักแน่นญาติญาหารได้ท่าจริญญามีความน่ารักเป็นกรณีพิเศษการล่วงเกินนิดหน่อยคําหยาบคําหน่งไม่เคยพูดอาการทางกายที่ทําให้สะเทือนใจพระราชสวามีไม่เคยทัก ไม่เคยเลยในชีวิตอาการหยาบหยาบต่างๆไม่เคยมีแลแม้แต่คนอื่นก็เช่นเดียวกันเจอกล่าววายใจาที่สะเทือนใจเขาคนอื่นไม่เคยกล่าวจะแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่สะเทือนใจเขาคนอืคนอื่นก็ไม่เคยทําเป็นคนมีเหตุมีผลทําทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่เรีว่าปัรดาเทวพุทธศาสนิกชน จงจําพระพุทธภาสิทธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเททุกติปาทิกางขาก่อนจะตายถ้าจิตสมองก็ไปสู่อบายภูมิได้โซทุกติทุกติก็คืออบายภูมิจิตเตะอสังคิตคิดเทสุขติปาทิกางขาถ้าก่อนจะตายถ้ามีลมใจผ่องใสก็ไปสู่สวรรค์คือสุขติได้ มาเรื่องราวของบรรนางมาณิกาเป็นหญิงที่ไม่เคยสร้างความประเทือนใจแก่พระราชสวามีความจริงน่าคิดนะพระราชาสวามีมีเมียตั้งร้อยเศษนี่เกินร้อยอาจจะถึงสองร้อยก็ได้เรียกว่าที่เป็นลาเป็นสันเลยเกินร้อยที่เรืยรัฐต่างหอ มันน่าจะเกลียดช้าน้ําใจในหน้าที่ของตนเพราะมนหน้าที่ของต น, ตนเป็นปัญญาในชั้นเป็นเมียก็ต้องเป็นเมียไอ้ น, นี่คนอื่นมาแย่งตาแหน่งแต่ว่านาไม่เคยทําแต่ขึ้นเชี่ยจติยาไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่เคยเป็นคนละเอียดมากดีมากนิ่มนวลมากต่อมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดับไฟแล้วท่านอยากท่านปวดปัสสาวะพูดภาษาชาวบ้าน่ ก๊าลุกจะไปห้องบัสวะเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเท้าข้างขวาไปสะดุดท่าพระสัทวามีเข้าเขาเรียกเท้าก็กันชาวบ้านฟังง่ายๆพระบาทพระสองถึงมันยากเรียกพระบาทพระสองถึงพระหสลึงก็หนักใจเอาเดยกเท้าดีกว่าไปสะดุเข้าเท่านั้นนเสียพระเทไทยมากคิดว่า กำชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสําหรับเราเราไม่น่าจะเป็นคนทั่งเผลอมีความชั่วขนาดนี้ก็ส่งพระกันแสงไปร้องไห้เสี ย, ยใจเสื้อเสื่้นนอนไม่หลับพระเจ้าประเสริฐนที่ก็สนเห็นวัดชายยาเสื่ืแบบนั้นก็สงสัยถามว่าน้องหญิงเสี ย, ยใจอะไรพระนางมณีกายก็โทรให้ ส, งส่งทราบว่าหม่อมฉันเร็วมาก ขอประธานอภัยพระราชาพระราชาบอกพี่ให้อภัยทุกอย่างความจริงที่น้องทําไม่มีเจตนาเสียไม่มีอะไรเป็นความผิดคําว่าชื่อว่าเป็นคนหยาบคนเสียก็ไม่มีให้เลิกการเสียใจเมื่อพระเจ้าพระราชาทรงปลอบคือพระเจ้าประเสริฐนัทธิสินปรอบตอนหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ากําลังใจมันข้อง คิดว่าเราเกิดมาไม่น่าจะสร้างความเลวอย่างนี้เอ้ยตัวนี้เราฝังใจอยู่ตลอดเวลาและในการต่อมาขณะที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำลังประทับอยู่ในประเทตวันนั่นเองพระนางมริกาก็ส่งสิ้นพระชนแต่ความจริงไม่ใช่คราวเดียวกับที่สถานอีกหลายปี เรื่อไมหลายปีที่คิดว่าพระนางนี่มีพระชนมายุสั้นก็ไม่สั้นนะไม่ไม่น้อยนักคือไม่ใช่สั้นจูายุยี่สิบปีสามสิบแปด ป, ปีตายไม่ใช่อย่างนั้นหรอก <c oughs> พระนางเวลานั้นจะมีพระชนมายุก่อนที่จะสิ้นประชนกเกือบห้าสิบปีเห็นจะโดยประมาณได้ประมาณห้าสิบปีแต่ว่าในเมื่อพระนางสิ้นประชนราชาท่านก็ต้องหนุม่มทุ่นท่านเรื่อไป เมียตายก็มีเมียใหม่ได้เมีย อ, อยู่ก็ยังมีเมียใหม่ได้ทำไมเมียตายจะมีใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดานี่ก็ต้องเล่าสืพเนื่องต่อกันไปเปน็นเอาก่อนจะตายจิตข้วาวนางหวนของมาล็กถึงว่าเราเลวเที่ยวสุทเท้าไปะสะดุดเท้าพระราชสวามีพระราชสวามีรราามก็ควรจะเคารพอย่างบิดา อาเทาไปกระทบเท้าบานสามีก็เหมือนเาเท้าไปทบกระทบเท้าพระราชบิดาและพ่อนเองกําลังใจก็สมองแต่ว่าความดีเขาว่านางมีมากเพราะจิตออกจากร่างบรรดาท่านพุทธบริษัทไปร่างกายของนางก็เป็นนางฟ้าสมบุญแบบแพรวพราวแะยับเนื้อเป็นแก้วสวยสุดงามแสงสว่างเป็นมีเป็นกรณีพิเศษ ถ้าจะเทียบเป็นพระเป็นนางฟ้าก็ต้องเป็นนางฟ้าอันดับหนึ่งของสวรรค์เช่นดาวาดึงสเทวโลกแต่ว่าการออกจากร่างแทนที่จะเดินไปสวรรค์อาศัยความเศร้าหมองของจิตนิดหนึ่งที่ความจริงไม่เป็นความผิดแต่ตั้งใจให้มันผิดไปเองคิดให้มันผิดไปเองที่ไปสุดท้าพระราชาสวามีใจเศร้าหมองว่าเราทําความชั่วเราเลวตัวนี้ยนิดเดียว กาจิตตัวนี้นิดหนึ่งที่คล่องอยู่มีความเศร้าหมองหน่อยหนึ่งพานางลงไปถึงนรกไปคุมไหนก็จำไม่ได้ไม่ได้ตามไปซะด้วยเอาเท้าข้างฟวาที่ดุดเท้าพระจักสวามีไปแย่ลงในนรกให้ไฟไหม้อยู่เจ็ดฟันมนุษย์ทั mm ้ง hmm. ร่างกายของาานางทั้งหมดแต่งตัวเป็นนางฟ้าสมบุรณ์แบบ ในระหว่างนั้นที่พ ร, ร, ระนางมณิกาทีวีเธอสิ้นพระชนพระเจ้าประสเส้นที่กระสนช ร, รมชาวน ก, กิจเสร็จตั้งใจจะไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระนางมณิกาทีวีประเหสีขนสำคัญเธอมีเจริยาดีเป็นเลศิศ การทำให้หมองใจนิดหนึ่งไม่มีตั้งอยู่ด้วยกันมาบญบารมีก็สร้างมากหนักกว่าใครทั้งหมดการให้อธิษฐานไม่มีใครสามารถจะทำได้แต่เทธอทำได้อยากจะถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้เนี่ยพระนางมณีกามเมศศีไปอยู่ที่ไหนเป็นนั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระนําจิต อง์สมเด็จพระธรรมสัมิตรส่งทราบว่าถ้าตรัสตรงๆออกไปว่าเวลานี้พระนางมณีกาเทวีอยู่ในเมืองนรกเอาเท้าไปเหย่ไฟเล่นโกโก้แค่ตาตุ่มเจ็ดวันมนุษย์ถ้าจัดเพียงเท่านี้พระเจ้าประเสรฐนั้นที่โกุศลจะไม่ยอมทําบุญต่อไปจะไม่สร้างความดีต่อไปเพราะความดีที่พระองค์ทํำนั้นมันไม่เท่าพระนางมณีกา พนางมณีกาดีขนาดนี้ยังลง น, งนรกก็พระราชาสั่งคนติดตารางบ้างสั่งประหารชีวิตบ้างสั่งเนรเทศบ้างลงโทษคนนั้นยื้อแย่งคนนี้รบกับทัพกับเมืองโน้นตีกับเมืองนี้ยังสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากคนที่มีความดีอย่างนั้นถ้าต้องลาบากเพราะตกนรกคนอย่างเรามันก็พ้นไม่ได้ แล้วก็สร้างในความชั่วมันรุ่ยไปดีกว่าทํายังไงไงก็ต้องตกนรกนี่พระพุทธเจ้าทรงทราบกําลังใจของพระเจ้าประเสิทธิ์นันทโกศลเป็นรูปนี้ต้องตั้งใจแบบไหนแล้วบุกไม่ถอยหลังเพียงได้ทรงยับยั้งกําลังใจของพระเจ้าประสริทธิ์นันทโกศลเวลาที่พระเจ้าประสริทธินันทโกศลจะเด็ดไปเฝ้าจะถามเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็ส่งบันดาลให้ท่านลืมเรื่องนี้ทุกๆวันไปถึงก็ลืมตอนเย็นก็กลับกลับมาถึงพระราชินีเวทใกล้ปันถมนึกขึ้นมาได้ว่าตายจริงตะตังตะวันจะไปถามเรื่องราวเขาพานางมานันขันยมพนางพนงังเมียที่ตายนี่มันนึกอะไรไม่ออก พนางมานิกาเทวีจะ น, นึกไม่ออกเ <c oughs> มีที่ตายว่าไปอยู่ที่ไหนลืมถามพระพุทธเจ้าพวกนี้ถามใหม่ไปอีกพระเจ้าทรงบันดาลฤกษ์อีกถึงเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่แปดเป็นวันที่พ น, นางมานิกาเทวีพ้นโทษลอยจากนรกขึ้นไปสูส่สวรรค์เช่นดาวประเด็นสติวรรคสวยที่ประสมบัติ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องระมัดระวังให้มากเรื่องนี้เป็นตัวอย่างการที่เราทําความดีแสนดีต้องรักษากําลังใจให้มันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังใจของเรานี้ต้องทรงพรมิหารสีไว้เป็นปกติทรงศีลเป็นปกติแล้วก็ทรงยับยังอารมใจอย่าหวั่นไหวในโลกธรมรมให้ทรงพรมิหารสีเป็นปกติไม่หวั่นไหวในโลกธรรม โลกก็ทําคือได้ลาบเสียมลาบได้ยศเสียมยศอินทาสนเสริญสุขทุกอะไรมันจะ่มมาอย่งไรก็ถือว่าช่างมันช่างมันช่างมันไว้เสมอถ้าหวั่นไหวไปตามมันวิคนนั่นเขาอินทาเราคณนณีสนเสริญเราตัวนี้แหละจะพาลงนรกถ้าอรมใจที่จะส่งกําลังใจไม่หวั่นไหวในพรมใ น, ในโลกาการทำแปดราการก็ต้องมีภรมีหารสี่ เพื่อหนึ่งเมตตาความรักสองกรุ่นายความสงสารสองรายการนี้ทำให้สินบริบูรณ์การให้ทานก็ให้ปกติดีชื่นชมชื่นสินก็บริสุทธิ์สมาธิก็ท่งตัวและปัญญายก็แจ่มใสกำลังใจไม่หวั่นไหวในโกุกธรรมเพราะมีมุทุตาใครได้ดีพลอยยินดีด้วยอุบเบกขา ว, วางเฉยแต่อารมณ์ที่ไม่เราไม่ชอบใจ ใครก็ว่ายังไงไมายังไงก็ช่างมันเฉยตัวนี้เนี่ยทำให้ปลอดภัยท่านยังหลายจนเราหวังไว้จะถือว่าเราทําความดีมากแล้วอันนี้ไม่ควรถ้าจะวัดกันจริงๆแล้วความดีของพวกเราเท่าพานางมานิกาทีวีหรือเปล่าแล้วสายกาลังใจเท่าท่านไหมท่านตัน้งแต่เกิดมาไม่สร้างความกระเทือนใจให้ใครเลยเราทําได้ไหมไม่ได้แน่ ขอยืนยันว่าทุกคนที่ฟังเนี่ยทำไม่ได้แน่แล้วก็มีจิตอ่อนโยนมีจิตมิตตาปราณีไม่หึงไม่หวงใครตัวนี้หนักทำกันได้ยากแต่ว่านางทำได้ทานก็หนักและเผลอนิดเดียวจิตใจไปห่วงว่าเท้าแตะถท้าพระสามีหน่อยลงนรกและพวกเราล่ะ ถ้าพวกเราถ้ายิ่งไปกว่านั้นน่ะบรรดาท่างพุทธบริษัทแทบเผลอมันจะลงนรกจริงไปกว่านั้นก็รวมความว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุกคนรักษาความดีของตั้งแต่ของเราไว้ด้วยอำนาจของพระมีหาสี่อย่าลืมนะตั้งใจว่าเราจะไม่หวั่นไหวในอคติทั้งสี่ในในโลกธรรมทั้งแปดหลังจากนั้นเมื่อพระราชาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาทัมมติเจ้า ได้กระโทนถามพระองค์ในวันที่แปดองค์สมเด็จพระผู้ธมีพระพาเจ้าจึงตรัสว่าเวลานี้พระ น, นางมานิกาเทวียอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวประเดิงสเสถาโลกอันนี้จะหาว่าเป็นการหลอกลวงกันก็ไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นการสร้างกําลังใจแก่พระเจ้าประเสริฐที่กศลอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่า เรื่องมันติดต่อกันในความจริงบัตดาตอนเขาทำบทมาอยู่กันคนละตอนแต่เรื่องมาเสืบเนื่องกันก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกติกวบรรดาท่านพระธบริษัททุกคนจะได้ไม่ประมาทคิดว่าเราดีแล้วเราดีแล้วเราเลิศแล้วเราประเสริฐแล้วอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเสียหายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดิเป็นพระสงฆ์เขาสาวกเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาล ต้องระมัดให้วังให้มากอย่าเป็นพระแปลเพืที่เรียกว่าเกาะกินคือเกาะกินอย่างประเภทอะไรละ่ะอย่าประเภทเห็บกินสุนัขหรือว่าหมัดกินสุนัขถ้าความจริงมันอาศัยตัวสุนัขอยู่แต่มันก็ทําลายสุนัข ก, กินเลือกกินเนื้อตลอดวัน จนร่างกายสุนัขสวงไปแล้วมันก็จะต้องตายด้วยข้อนี้ฉันใดบรรดาเหล่าพิสุสงทั้งหลายพิสดุษสมันเลซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าย่าทำตัวอย่างขับเห็บหรือว่าหมัดที่ตามโบราณนับบอกอยาทำตัวเป็นกาฝากได้ความจริงกาฝากมันไม่สร้างความสะเทือน ต, ต่อกรต่ยมากนะัก แล้วต้นไม้ก็ประกาศแจ้งจความรู้สึกแต่มันก็เฉาก็ตายได้กว่าจะเฉาจะตายก็นานทุกธรมไม้ก็น้อยแต่ว่าเจ้าเห็บหรือเจ้ามัดไปกินสุนัขมันหนักมากมันอาศัยร่างกายของสุนัขอยู่มันก็กินเลือด ก, กินเนื้อเขาทําลายเขาในที่สุดเขาตายมันก็ต้องตายมันไม่รู้จะกินอะไรหาที่ไหนไม่ได้มันก็ตายต่อไปนดีไม่ดี เจ้าของเขารำจัดเขจะมาเขาล่อ ใ, ให้ตายพวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันพระท่านหลายที่จะมีชีวิตอยู่ได้อาศัยบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลานี้เรากินบุญของพระเจา้าท่านอยู่คำว่าบุญคือความดี พระพุทธเจ้าท่านดีอาศัยความดีของพระุธเจ้าเลี้ยงพวกเราผ้านุ่งทุกผืนผ้าห่มทุกผือนอาหารทุกเม็ดข้าวทุกเม็ดสถานที่อยู่ทั้งหมดอาศัยความดีของพระทธเจ้าญาติยโยมพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระธเจ้าประจัดสรางสร้างให้ที่อยู่ก็สั่งให้กรแสไฟก็สร้างให้ยารักษาโรคก็ให้เครื่องของกินของใช้ให้ทุกวัน มันดีการเลี้ยงพระที่บ้านท่านไนกินยังไม่ดีเท่าถวายพระขออะไรที่ว่าดีเอาไวถวายพระไอ้ที่เสร็จเอาไว้บริโภคเองอันนี้มีเยอะของดีๆที่ท่านถวายบางที่ที่บ้านทาไมไม่มอะ่ะท่านคัดของดีมาถวายพระแต่พระก็ต้องดีตามของตามอาหารถ้าพระไม่ดีตามนั้นพระไปไหน เอกระดาปตนากราชทำแต่ไข้น้ำให้ขาดนิดเดียวเกิดเป็นสัตย์เดือดฉานเกเบลามิโก้ดื้อด้านไม่ฟังคำสอนพระติเจ้าทรงพระไตวปิฎกเรียนพระไตวปิฎกแล้วไม่ปฏิบัติตามดื้อด้านออกนอกรูนอกทางประกาศว่าตนเป็นสัตย์สดนดาใหม่นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีความหมายไม่มีกับการลงพระปฏิโมก ดัดแปลงคำสอนกองตัวแทรกแสงพระพุทธเจ้าตายและเป็นอภัยเวจีมหานรกนั้นขบันดาเพื่อนบริสุทธิ์สมานเณรทั้งหลายศินเป็นเรื่องใหญ่ส่งตัวให้ดีอย่างเร็วที่สุดเราจะต้องส่งกระพี่เปลือกความดีในพุทธศาสนาไว้นั่งคืนหนึ่งสินบริสุทธิ์สองระ ง, งับโยนและก็สามส่งพมิหารสี่ แต่ว่าถ้าส่งเท่านี้นะท่านดีไม่เท่าพราวาตเวลานี้คราวาตเขาส่งกรรมาฐานมีฌานสมาบัติมียานกันกันมีวิเศษเยอะแยะถ้าเราส่งแค่นี้เราก็เรวกว่าเขาไม่ควรกินของของเขาไม่ควรใช้ของของเขาไม่ควรอยู่อาศัยในสถานที่เขาสร้างให้อย่างเลวยที่สุดต้องทําปุถพนิวาสนานติญาณให้คล่อง และก็ทิปพยานให้จุดตัวบาปิปบาติญาให้คล่องถ้าคล่องแค่นี้ก็ยังไม่คนของชบบาวบ้านเขาอีกเพราะท่านยังไม่คนนรกทางที่ดีคงจะเอาสังโยตสามเข้ามาเป็นเครื่องยึดอยอดโยมพุทธบริษัทก็ไม่กันสังโยตสามนี้ไม่ใช่แต่พระเนนเพราะเป็นการเป็นตัวกันอบายภูมิอย่างชัด เราจะตกนรกไม่เป็นเป็นเปรอสุริยสสติฉันไม่เป็นต่อไปตัดอมบญญายภูมิกันเลยสัญญาสามีอะไรบ้างมันก็เป็นของไม่ยากคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตไม่คิดว่าความตายจะอยู่นานนานนี้จะตายต้องคิดว่าความตายอาจจะมีวันนี้ไปเสมอระวังตัวไว้ วิธีระวังตัวไม่ไปรไปผมก็ยึดพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือด้วยปัญญาจะสักได้ว่าสัญญาประจําก็นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมสงส์สักได้ว่าปาฏในรมนรกนับไม่ทวนยาการะดับยอมรับนับถือพระเจ้ามองใครใช้ก็ต้องดูที่ศินสินจะพบประเภทกระวาดศินห้า เนสินสิ์พระสินสองี็และมีธรรมะด้วยถ้าท่านผูดด้ใดมีสินครบทนบุคคล น, นั้นเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงถ้าสินยังบกพร่องก็สักด้ ว, ว่าเคารพแต่ปากเป็นเหื้ยของอบายภูมิมีนรกเป็นตนจะได้ขอบันดาลแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนเพื่อนพิพิสุสมันเลย อันดับแรกคิดไว้เสมอด้วยอมรณานนสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายว่ามันจะตายการนาใบภูมิโดยคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์จิตคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไหร่ด้วยความดีที่ทําทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนเราทําเพื่อพระนิพพานถ้าตายเมื่อไร่จุดที่เราต้องการคือพระนิพพานแห่งเดียว หลังจากนั้นก็ตีตลบกลับพยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานด้จารคานุสติกรรมฐ า, านตัดความโกรธด้วยการทรงภรมิหานสีตัดความหลงเรื่องอารมณ์ด้วยอารมณ์มใจของเรานี้ไม่พอใจในมนุษย์มนุษย์ษสังโลกเทวโลกและภพมโลกไม่ติดในร่างกายของเราไม่ติดในร่างกายของคนอื่นไม่ติดในร่างกายของสัตว์ แล้วไม่ติดในวัตถุธาตุต่างๆมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวอาลลบรรดาท่านพุทธบริษัททัญนานบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วขอยุติวัตเพียงตรงนี้ขอความสุขสมหวังกรรมลุกมรคลตามนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติและจงมีเก็บบรนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี